เอาต่อนี้ไปเดี๋ยวหลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟังสักเิ็กเล็กน้อยแล้วก็ค่อยเลิกกันนะั้นคณะสัทธาญาติโยมลูกลานพวกเราได้ไประชุมเพลิงคุณโยมพี่โยมตาวโยมยายท่านก็ อ, อายุ80ปีแต่ปีตาตามไม่จริงเกินอายุไขนะคณะสัทธาญาติโยมทุกวันนี้คนอายุ75ปีเป็นอายุไข แต่โยมพี่เตาเนี่ยอายุท่าน80ปีท่านก็ได้จากไปท่านก็ได้สร้างคุณงามความดีเอาไว้แลว้วการสร้างคุณงามความดีและการสร้างบุญสร้างกุศลจุดนี้แหละแต่บางคนก็บอกว่าเออถ้าว่าเขาทําบุญทํากุศลเขาคงจะไปได้ดีแต่ว่าเมื่อจวนเจียน ใจจะขาดนะเราจะนึกคิดถึงเรื่องอะไรนะจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญนะพวกเราจะต้องได้ฝึกเอาไว้เหมือนกันถ้าหากว่าพวกเราจูนเกียนใจจะขาดนึกไปในทางชั่วนะบาปอากุศลก็จะวิ่งเข้ามาให้ผลไปทางชั่วก่อนแต่ว่าทางดีก็ไม่เสียหายก็รอให้ผลต่อเมื่อภายหลังแต่ถ้าหากว่าใครก็ตามทาความชั่ว อย่างมากๆแต่ว่าก่อนตายเขาลำาลึกถึงคุณงามความดีและลึกถึงบุญกุศลที่ได้เลี้ยงดูพ่อแม่ได้แต่ทคุณูปการได้ทาบุญในพระพุทธศาสนาหรือสาธารณประโยชน์บุญกุศลก็จะเข้าสู่จิตใจของดวงวิญญาณ น, นั้นดวงวิญญาณก็จะไปสู่สุขคติก่อนแต่ถ้าหากว่าพ้นจาก หมดอเ น, นิสงแห่งสุขคติแล้วคนคนนั้นเขาก็ตกตกต่ำลงไปอีกก็บาปอากุศลที่เขาได้ทำไว้อันนี้คือการสร้างปูนสร้างกุศลราการทำบาปในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าของเราท่านมีอนาคตังสยานท่านรู้อดีตอนาคตรู้บาปบญคุณโทษใครทำบาปใครทำกรรมอันไหนไว้ ถึงข่าวสุดท้ายพระพุทธองค์จะรู้ได้ทั้งหมดจะไปทางไหนก่อนอย่างนางมัณฑิกาที่เป็นอัคระมะเหสีของพญาประเสิทธิโกศลเป็นผู้มีปัญญาคนหนึ่งแล้วก็ได้ทาบุญกับพญาประสิิได้ทําบุญอาทิษทานค้างยิ่งใหญ่ที่สุดก็เป็นผลงานของนางมัณลิกา ท, ทําทีเดียวหมดทั้ง สิบสี่โกดโกดหนึ่งก็เท่ากับสิบล้านเออสิบพันเป็นหมื่นสิบหมื่นเป็นแสนสิบแสนเป็นล้านสิบล้านเป็นโกด์คำว่าโกด์หนึ่งก็แปลว่าเงินสิบล้านนั่นแหละแต่ในนางมันลิกาเนี่ยเป็นผู้ออกหัวเป็นผู้ใช้ปัญญาพญาปเสนเนี่ยอมแพ้ในการทำบุญทำทานกับชาวบ้านเขาคือทำบุญแข่งการอพูตง่าย บางคนวาอ้ทำบุญแข่งกันไม่ได้บุญอย่าไปพูดอย่างนั้นอย่าไปคิดอย่างนั้นการทํามาไหก็ตามถ้าแข่งกันถ้าแข่งกันหาเงินมันก็ต้องได้เงินถ้าหาว่าแข่งขี้เกียจมันก็ได้ทุกข์ทุสเซ็ตแข่งแล้สิแท้แข่งขี้เกียจแข่งทําความชั่วก็เหมือนกันก็ต้องได้บาปก็ต้องได้ทุกข์ถ้าแข่งทําคุณงามความดีจะไปตกต่ําได้ยังไงก็ต้องเป็นบุญเป็นกุศล ปญาประเสริญกับพี่น้องประชาชนกรุงสาวัถีแข่งกันทําบุญวันหนึ่งพัญญาประเสริญทำเอาให้ดีนิมนต์พระสงฆ์พร้อมกับนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมพระสงฆ์แล้วทาบุญเอาอบริษัทบริวารทุ่มเทลงวันลุ้งขึ้นพี่น้องประชาชนชาวเมืองร่วมกันทําบุญ ต่อมาอีก พ, พระยาเป็นเสถิรทำเอกทาบุญต่อมาพี่น้องประชาชนรวมกันทำบุญพอในสุดพระเจ้าเปรนเสถิรครั้งที่5้าเนี่ยอ่อนอกอ่อนใจเพราะเห็นพี่น้องประชาชนเขาเขาทำเมื่อครั้งที่สีเนี่ยยักษ์จะยอมแพ้เขาแล้วแต่ น, น, ตนางมาลิกาก็บอกเอ้ยจะไปยอมแพ้ทำไมเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินอุปกรณ์ในการทำของเรามีมากที่จะเอาชนะ ชาวบ้านเพราะชาวบ้านเขาช้างเขาไม่มีกองเรามีช้างเอาช้างมายกฉัดตั้งบรรลังขึ้นมาเอาช้างมายกฉัดช้างทั้ง500รอตัวเนี่ยมายกฉัดนี่จะเก๋ขนาดไหนลักษณะอย่างนั้นพญาประสิยงิโอใชอ่ก็เลยเตรียมช้างไปยกปักกทน์อ่างนั้นให้พระขนั่งชั้นบนธรร ม, มาตถ์ทั้งเป็นองค์เป็นองค์ไปช้างก็หมอบถือปักกทน์ กันให้นี่แหละอนนี้ก็คือในช่วงหนึ่งองคุริมานโจนเนี่ยท่านในบวชท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เหมือนกันนะองคุริมาลที่ฆ่าคนเยอะๆนะแต่นนี้ก็ท่านก็เป็นองค์สุดท้าย อ, องค์สุดท้ายแต่นี้เป็นพระองค์ที่5 0 0ร้ตนนี้ก็ช้างหมดพอดีได้499้ตัว มีช้างอยู่ตัวหนึ่งแต่มันดุร้ายมากอยู่ในอยู่ใน A A A A A, ที่ขังเอาไว้ที่ผูกมัดล่ามโซ่เอาไว้แต่เขาทําไมจึงเอาไว้ช้างตัวนี้พอเวลาเกิดศึกสงครามขึ้นมาเนี่ยช้างที่ดุร้ายอย่างเนี้ยเขาจะไอเอาเหล้าให้มันกินซะก่อนพอเอาเหล้าให้มันกินเสร็จแล้วเมันดื่มสุราเมาได้ที่แล้วปล่อยออกไปเลย พอปล่อยไปนะมันไม่ได้ว่าเนี่ยคู่คนอะไรมันเหยียบดะไปหมดเลยสิปล่อยเข้าสู่อริศัตรูมันก็มีประโยชน์ในการรักษ า, าประเทศชาติในใยุคนั้นสมัยนั้นฮะแต่นี้ก็ช้างตัว น, นั้นเขาก็ผูกไว้มัดเอาไว้เขว่ามีช้างอยู่ตัวเดียวที่มันดุร้ายอยู่นะจะออกออกมาไหมแต่บางทีมันก็คุ้มดีคุ้มร้ายแต่รวยมากก็ไม่น่าเสี่ยง คนทั้งหลายโอถ้าหากว่ามีแต่องค์คุริมานพระองค์เดียวนั่งไม่ได้ไม่มีปกระทนกัน้นองค์อื่นมีหมดดูดูดแล้วมันไม่สมบูรนาเอายังไงกระเสียงดูก็เลยเอาช้างตัวที่ขังไว้ในกรงนั่นออกมาพอออกมาเทานี้มายกปกระทนโอช้างตัวนั้นทําดีกว่าช้างตัวอื่นอีกต่างหากเทนี้นอกิริยามารยาทเรียบร้อย สวยงามจงเป็นที่ชื่นชมของคนทั้งหลายโอ้โหช้างตัวนี้ทําไมมันเรียบร้อยถึงขนาดนี้เขาว่ามันดุเนะอ่อยากนั้นพอเสร็จงานเสร็จแล้วนะพระพุทธเจ้าไม่อนุโมทนาอีกด้วยนะวันนั้นนะพอฉันฉลองเขาทึงหมดไปทั้ง19 14โกดนะพระพุทธองค์พอฉันเสร็จแล้วเดินออกไม่ได้อนุโมทนาให้พรนะเดินออกเลย ช้างตอนนั้นก็จับเข้ากรงอีกพระสงฆ์ก็ถามเท่าน อ, องคุลิมานเป็นไงท่านรู้สึกยังไงเวลาช้างต น, น, นมาตั้งปกระทนให้ท่านตั้งกดให้ท่านท่านกลัวไหมพระองคุลิมานบอกว่าโอ้ไม่กลัวผมไม่มีความกลัวครับพระสงฆ์แถลงแสดงว่าพระองคุลิมานอวดอุตริมนุษยธรรมคําว่าไม่กลัวคือพระอรหันต์เท่านั้นแหละไม่กลัว นอกนั้นคำว่าผู้ตุชนมันต้องกลัวเอ่ยเราไปฟ้องพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าเอ่ยชายองค์คริมานเป็นพระอรหารแล้วท่านหมดกล้าหมดกลัวจิตใจของท่านเป็นอมตะท่านจิตใจท่านนิ่งเสมอไม่มีคำว่ากล้าไม่มีคำว่ากลัวจิตใจของท่านมาตรฐานสแตนดาร์ดนี่แหละอันนี้ก็คือในพระองค์คริมานจากนั้นก็พระพุทธองค์ไม่อนุโมทนา พยาปรษเสนก็รู้สึกน้อยพระไทยนะเอ๊ะทำไมเราทำบุญทั้งถิงขนาดนี้พระพุทธองค์จึงไม่อนุโมทนาให้พรนะเป็นเพราะเหตุไรเพราะพระพุทธเจ้าลืมหรือเปล่าก็ไม่น่าลืมนะงานใหญ่ขนาดนี้พระยาปรษเสนก็เลยแบบเดินคอตกเนาะงานแตอเดินคอตกไปกราบพระพุทธเจ้าตอนเย็นตอนเย็นมาก็ไปกราบพระพุทธเจ้าขาดฆ่าพระองค์ ได้ทำอธิษถานโบทเงินไปตั้ง14โกฏวันนี้แต่พระองค์ไม่ได้อนุโมธนาพระองค์ลืมลือดด้วยเหตุประการใดหนอพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์บอกว่าเราไม่ได้อนุโมธนาเพราะว่าเราสงสารอํมมาศของท่านคนหนึ่งอํมมาศใหญ่ของท่านเกิดความประมาทอย่างแรง ถ้าเราอนุโมโอธนาในจุดนั้นอะฉลองว่าเออการทําบุญครั้งนี้เป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่บุญกุศลอันนี้เป็นบุญกุศลติดพพติดชาติถ้าเราอนุโมโอธนาให้พรเรืองว่าบรรยายคุณงามความดีในการทําบุญทําทานประมาตอํามาต์คนนั้นก็ยิ่งประมาทอย่างแรงเข้าไปสีสระของเขาจะแตกเป็นเจ็ดผในเดียวนั้นเพราะบาปความประมาทของเขา ประมาตต่อพระพุทธเจ้าประมาตต่อพระสงฆ์เพราะนั้นตถาคตมองเห็นเขาแล้วจึงไม่อนุโมทนาให้พรจึงเดินออกมาพญาประสิทธิ์ก็โอ้ทำไมเป็นอย่างนั้นวะเราเป็นผู้ทําบุญแต่คนอื่นเป็นผู้ประมาตเป็นผู้ดูถูกเกียรติยามเราทำไมมันเรื่องของเรานี่นาจากนั้นก็เลยเรียกประชุมอำมาตย์แต่พระพุทองค์ก็บอกว่ามีอามาตย์ มีอยู่สองคนแต่คนหนึ่งโอเกิดศรัทธาเรื่มใส่ศรัทธาอย่างมากแต่คนนี้บอกว่าโอ้ยพระเจ้าปเส น, นทรัพย์สมบัติมีต่างมากมายทําบุญเพียง14บส่โกเท่านี้น้อยนิดน่าจะทําให้มากกว่านี้ทําไมจึงทําน้อยขนาดนี้ถ้าเป็นอย่างเราแต่โอ้ไม่ต้องว่าแล้วเอาให้เต็มที่เลยเกิดที่ไหนได้ที่มาเกิดพบพระพุทธเจ้าพบพระพุทธเจ้าแล้วยังมีทรัพย์สมบัติในมืออีก แล้วทําพอจิ๊บจ่อยมันน่าเสียดายนะถ้าเป็นอย่างเรานอะโอ้เราจะทําให้เต็มอิ่มเลยนะถ้าเป็นท่าเรามีทรัพย์สมบัติอย่างพระเจ้าปเส น, นีนาะอันนี้อีกทัพอามาดคนหนึ่งอามาดมีอยู่สองคนในชะ่ไหมอามาดคนหนึ่งโอ้พระยาปเส น, นีทาไมโงนะ่นักได้เงินมาไม่รู้จักใช้เอาไปถวายส ม, มณะพอส ม, มณะใช้แล้วกันะเป็นนอนตีพุงอยู่ในปา่าไม่ได้ช่วยราช ก, การงานเมืองอะไรทําไมโงนะ่นัก พระเจ้าแผ่นดินองค์นี้ฮะคนหนึ่งนะนี่แหละนานาจิตตังนานาทัศนอันี่ความคิดของคนมันเป็นลักษณะอย่างนั้นอ่ะตอนนี้พญาประสิทธิ์ก็เลยเรียกอามาตย์มาพร้อมหน้ากันหลายๆคนพญาประสิทธิ์ก็ถามว่าท่านอามาตย์ท่านได้คิดอย่างนี้อย่างนี้นี่จริงไหมอามาตย์คนนั่นก็บอกว่าจริงครับผมได้คิดอย่างนี้จริงๆครับนะครับ พญาปรสเซนถามความไหนกัจริงครับเพราะพระเจ้าปรสเซนได้ทราบมาจากพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้ารู้แนวความคิดของอมามัดอยู่แล้วเนี่ยท่านทําไมคิดอย่างนี้อันนี้เป็นสมบัติของเราเป็นสมบัติตุ้นตระกูลของเราเราไม่ให้ใครเดือดร้อนแม้แต่น่อยเดียวท่านเราก็ให้เงินเดือนบำเหน็จบำนาจบำเน็จตลอดทำอะไรทำคุณงามความดีก็ให้ตลอดอันนี้เป็นสมบัติของเรา ท่านไม่น่าจะมาก้าวกายกับดูถูกกับเรามาเป็นใหญ่ในสมบัติของเรามาคิดปกป้องเรื่องสมบัติของของเราอันนี้เป็นเรื่องของเราแสดงว่าต่อไปจะหืห้อหวงมากกว่านี้นะ่ไปออกไปนอกประเทศก็เลยไล่ออกนอกประเทศปลอดออกจากตำแหน่งอีกต่างหากไล่ออกนอกประเทศไม่ให้อยู่ในประเทศกุ๊งโกศนอีกต่อไปแล้วก็ยกอมัด ผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยยกให้ขึ้นเป็นอํามาตะใหญ่ดูแลปกป้องพี่น้องประชาชนทั้งหลายาคนอย่างนี้แหะคนที่มีจิตใจกว้างขวางคนที่มีน้ําใจอย่างนี้แหละคนที่เป็นจิตใจที่เป็นกุศลอย่างนี้แหละจะเป็นผู้ดูแลพี่น้องประชาชนไอ้คนขี้ตะนีทีเหนียวเลยมีจะทาให้ประเทศชาติบ้านเมืองจิบหายเห็น <c oughs> แก่ตัวอย่างนี้นะท่านกำลัยกให้อํามาตะพวกนี้เป็นอํามาตะใหญ่ต่อไป นี่แหละอันนี้ก็คือเรื่องพระญาปเสณท่านทําบุญท่านทําจริงๆแต่ท่านก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตนะท่านไม่ได้ปรารถนาเป็นพระหรหนะันต์นะพญาปเสณจากนั้นมาพูดถึงอครมเหสีของท่านเถินางมาลิการ์ก็เป็นผู้เป็นผู้มีปัญญาเป็นอัครมเหสีใหญ่พอจะพระเจ้าเป็นดินในยุคนั้นสมัยนั้นมีสนมนาลีสนมกํานัน มลริกาเนี่ยเป็นอัครมเหสีใหญ่แต่ท่านก็ทำไม่ดีมางอย่างครั้งหนึ่งพระเจ้าประเสริฐจับได้ในความชั่วของท่านแต่ท่านก็โกหกเพราะท่านมีปัญญานางมาริกาโกหกสามีแต่สามีก็พระ้าประเสียก็ชื่อชื่ต ร, ตรงตรงอยู่แล้วก็ไม่ได้ซักไซไลเลียงก็ได้จบแต่ในใจของนางมลริการ์คิดโอ้เรากโกหก พญาปเสณโง่โง่เลยเราโกหกได้แต่ว่าการกระทําของเราเนี่ยเราจะโกหกพระพุทธเจ้าไม่ได้พระพุทธเจ้าพระหันทสาวกอยู่กรุงสวัสดีนี่วัดป่าเชตตะวันมหาวิหารนี่ท่านรู้หมดเลยที่เราทําออกไปเนี่ยเราปิดบางท่านไม่ได้โอ้เรานี่ไม่ดีและจุดนี้นแต่นางมาเลกากระคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกเหมือนกันในการกระทําของตัวเองในการทําความชั่วของตนเอง จากนั้นพอต่อมานางก็เลยสวรรคตนะฮะพอสวรรคตไปก่อนที่จะตายนะมาคิดถึงความชั่วอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องต้นนะก่อนที่คนจะตายมาคิดถึงความชั่วหรือคิดถึงความดีถ้าคิดถึงความดีเขาจะไปสู่สวรรค์ถ้าคิดถึงความชั่วเขาจะไปสู่นรกก่อนแต่นางมาิกาคิดถึงความชั่วในขณะนั้นพิโต ก, กังวลอย่างมาก พอตายไปไปตกนรกเลยท่านพอใจขาดไปตกนรกไปตกนรกแผ่นทองแดงแปลว่าเป็นแผ่นทองแดงรัดเพียงข้ อ, ขอเท้านะร้อนมากเลยนางบริกาแล้วก็ไฟลุกจากนั้นพญาประสเสนในกรมเพื่อนางบริกาสวรรคตรไปแล้วก็ถวายมอบจัดการถวายเพลิงศพ อย่างพวกเราถวายงานศพอย่างโยมพี่ตาวันนี้แนหะอพอถวายเสร็จเรียบร้อยก็ เ, เราควรจะไปกราบพระพุทธเจ้าว่านางมลิกาเนี่ตายแล้วไปเกิดที่ไหนคงจะไปสวรรค์ชั้นไหนอยากจะไปถามพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าท่านรู้อดีตอนาคตท่านว่านางมลิกาตายแล้วไปตกนรกอไปตกนรกท่าพระยาประสเสนบอกว่าเอนางมลิกาเนี่ย ตายแล้วไปตกนรกนะเดี๋ยวนี้อยู่ในนรกนะพญาประสิทธิ์ก็จะเสียพระไทยมากเป็นมิตรสาธิติขึ้นมาทันทีเลยโอ้โหขนาดนางมัริกาทําบุญขนาดนี้แนละ้วไปตกนรกขนาดนั้นเชียวเหรอข้าพรเจ้าเจะเนบไม่นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และต่อไปใครจะไปทําคุณงามความดียิ่งกว่านางมัลิกาฮนะพญาประสิิ์จะคิดไปอย่างนั้นท่นี้พระพุทธองค์ก็รู้อีกพญาประสิทธิ์จะน้อยใจอย่างมากเพราะท่านเขารัก นางเบลกาอากามเหสีอย่างมากฝังจิตฝังใจเขาอยู่จากนั้นพระองค์มีอิทธิฤทธิ์พอพระเจ้าประเสนที่โกศลเข้าไปอยากจะถามเรื่องนี้แหละ เ, เพระองค์ก็คงจะใช้อิทธิฤทธิ์ทุกวันก็คงจะใช้แบบคาถามหมากินความคิดลักษณะอย่างนั้นะหละอพอยาประสเสนเข้ามาพระ อ, องค์บันดาลให้ลืมอพอมาถึงแล้วพระเจ้าประสเสนลืมลืมถาม ถามแต่อย่างอื่น เ, เสร็จแล้วกลับไปไปถึงเวียงบางโอ้ตายๆๆลืมถามบรรนางบมันลิกาไปเกิดที่ไหนวันพวกนี้ตั้งใจไปอีกพอไปอีกว่าจะถามพระพทุทธเจ้าบัตรดานให้ลืมไปถึงกับพูดแต่อย่างอื่นกราบทูลอย่างอื่นถามอย่างอื่นกลับมาอีกจนถึงวันที่เจพอวันที่เจดนางมันลิกาเนี่ยพ้นจากกรรมไปตกนรกอยู่เจวันฮะออกจาก นรกแล้วก็ขึ้นไปสู่สวรรค์เพราะบุญกุศลของเขาได้ทําสร้างคุณงามความดีอย่างที่ว่านะ่ะบุญกุศลก็ส่งเข้าไปสู่สวรรค์พอไปสู่สวรรค์แล้วก็นางก็ไปสู่ความสุขแล้วทีนี้พ้นจากนรกไปสู่สวรรค์หมดกรรมตัวนั้นตอนี้พญาประสิทธิที่กุศลก็ไปไปกระถามพระพุทธเจ้าเน่ยพระพุทธเจ้าคลายฤทธิ์เลยเนี่ ย, พพ ท, ย, ย, ยทีนี้คลายฤทธิ์ไม่บรรดาให้ลืมล่ะคลายฤทธิ์แล้ว พ, พระยาประเสนทีิกโกศลโอ้ข่าพระองค์สเสด็จมากมาจะมาทูลถามพระพุทธองค์ว่านางเบลกาอัคคมเหสี ย, ยอดที่รักษของข่าพระองค์นี่ตายแล้วสวรรคตแล้วนี่ไปอยู่ที่ไหนหนอพระเจ้าข่านแต่เพิ่งระลึกได้เดี๋ยวนี้แต่คิดจะจะมาถามตั้งหลายครั้งพระพธองค์บอกเออนางเบลกาไปสู่สวรรค์แล้วไปอยู่สวรรค์ชั้นนั้น พยาประสิทธิ์โอถ้านางมะิกาไม่ได้ไปสู่สวรรค์แล้วใครจะได้ไปเพราะนางจิตใจเป็นกุศลตลอดถ้านางไม่ได้ไปแล้วจะใครจะได้ไปแนะนะ่ก็คิดอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้จริงๆจงากนั้นพระ อ, องค์ก็ก็ไม่ได้ตรัสอะไรแล้วก็จบนะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วคือเรื่องการสร้างบุญสร้างกุศลให้พวกเราเตรียมเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ฝึกเอาไว้ในขณะที่ ใจเจ้าของเราจะถึงจุติหรือเลยถึงวันสิ้นสุดหรือหมดอายุพวกเราควรจะฝึกเอาไว้ให้ภาวนาเอาไว้ให้จิตใจเข้าหมาสู่ความสงบเข้ามาอยู่จุดหนึ่งเข้ามาสู่จิตจุดที่เป็นบุญกุศลถ้าพวกเราจิตใจของเราเข้ามาสู่บุญกุศลเป็นกุศลพวกเราก็ไปสู่สวรรค์ตาฮาว่าพวกเรา ทำจิตใจให้สงบหนึ่งเป็นหนึ่งเน่งเป็นญาณทัศนะเกิดฌานจิตใจไม่ปรุงไม่ฟุ้งไม่ซ่านจิตใจรวมสงบเป็นอัปปนาสมาธิในขณะนั้นโน่นละที่ส่งโด่งไปถึงพรมเลยท่นี่ไอ้พวกฤาษีทั้งหลายเขาพอตายแล้วก็ไปสู่พรมเกือบทั้งนั้นเลยแต่พวกอเ น, นส่งทานอนนสสนเนส่งศีลเนี่ไปสู่สวรรค์ะนะอเนส่งทานอเ น, น ส, งส่งศีลเนี่ยไปสู่สวรรค์อเ น, นส่งภาวนาเนี่ย ไปสู่พรหมโลกเป็นอย่างน้อยเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราคณะสัต ย, ยาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทชีวิตของพวกเราอย่างที่ยมพี่ตาวนี่ยแะท่านจากไปเป็นตัวอย่างของพวกเราแล้วให้พวกเรานึกย้อนชีวิตของพวกเราจะอยู่นานไปสักเท่าไหร่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่หลวงพ่อเอาความตายมาขู่กันนะเอามายกความตายมาเป็นตัวอย่าง ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษามันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันไม่เป็นอย่างอื่นหลวงพ่อกําลังพูดเนี่ยหลวงพ่อก็จะต้องเดินอย่างโยมพี่พาไปนี่แหละและพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นก่อนที่จะถึงจุดนั้นอย่างที่หลวงพ่อได้พูดพวกเราได้เตรียมสเสบียงไว้ละอย่างเป็นที่อุ่นใจละอย่างอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านถามพ่อของนายช่างทองดูก่อน อ, อยู่ก่อนโยม ท่านจะได้เดินทางไกลนะท่านได้เตรียมเสบียงเดินทางไว้เพียงพอหรือยังแล้วท่านจะไปพักที่ไหนล่ะมีที่พักหรือยังเห็นไว้หรือยังที่พักได้คิดไว้ที่ไหนที่พักหรือยังเออถ้าว่ายังไม่รู้จักที่พักเสบียงเดินทางก็ยังไม่มีท่านเดินทางไปได้รับความลําบากนะตกทุกข์ได้ยากนะเพราะฉะนั้นท่านอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้เตรียมพร้อมเตรียมเสบียงเดินทาง แล้วก็ได้คิดเอาไว้ว่าจะไปพักที่ไหนพักที่ไหนก็คือสวรรค์ชั้นไหนฮะแต่หากว่าเราไม่ได้คิดเอาไว้เนี่ยตกนรกโกลไม่เนี่ย เ, เพราะชีวิตของพวกเราจะต้องเดินทางไกลพอพระเดชเจ้าเตือนพ่อของนายช่างทองอคนแก่นี่นกัมีสติขึ้นมาทันทีโอ้ช่ยข้าเนี่ยประมาทจนเกินไปเสียวแล้วไม่คิดว่าตัวเองจะตายอยู่เป็นวิววีวันวันไป มีแต่ยูด้วยความเพิดเพลนเอหาลุ่มหลงมัวเมาอเราเองจะไป เ, เป็นอย่างนี้ไปตลอดไม่ได้เราต้องพัฒนาตัวใหม่ควรจะสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจและตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแต่ละโยมคนนั้นก็เลยเขาพัฒนาใหม่เขาก็ได้สำเร็จพระสุดาบันนี่แหละอันนี้ก็พ ร, พระพุทธองค์ไม่ได้ขู่แต่ว่าบอกเอาไว้ ว่าได้เตรียมตัวละอย่างก่อนที่จะเดินทางในบุญมีบุญกุศลเป็นที่พอใจล้อย่างอุ่นใจล้อย่างแต่ถ้าว่าพวกเรายังไม่มีบุญกุศลเป็นเครื่องอุ่นใจนะพวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะให้เตรียมเอาไว้นะบาปบุญคุโทษมีจริงนะนรกสวรรค์มีจริงนะถ้าว่าพวกเราทำตัวไม่ดีไปหลกตกนรกได้ไง่ายๆแต่ถ้าเราทำดีแล้วก็ไปสู่สวรรค์ วิธีการปฏิบัตินั้นคืออะไรต้องศึกษานี่แหละให้พวกเราฟัง MP ็สที่หลวงพ่อแจกให้นะหลวงพ่อมีแต่สอนให้พวกเราท่านทั้งหลายประกอบคุณงามความดีบางกันกับพยายามสอนให้รู้จักวิธีการปฏิบัติตนให้มีศีลหนะ้าเน้อให้มีทานให้มีศีลเนะ้อให้มีภาวนาเนา้อนะอยู่ในนั้นมีเอาวันนี้าการพูดแนแนว หรือว่าการพูดแนวความเห็นให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาขอยุติในการพูดไว้เพียงเท่านี้